t mm u -hmm. ศึกษาการปฏิบัติธรรมเาานนารมเทาทำงานมีการต่อมีจิตกับธรรวัตเช้าธรรมวัตเย็นกิจกรรมมีชวนกันทำเตะข้องเตะและ้วขังบอกกันแต่ว่าภาคปฏิบัติต้องทำเอาเองแล้วก็เห็นเราเองแก้ไขปรปับปรุงเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่ถูกในสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกมันก็บอกอยู่สิ่งที่ผิดมันก็บอกอยู่ความเป็นทุกข์ความเป็นสุกความเป็นความลู้ไม่รู้มันก็บอกอยู่ไม่มีปัญหาอะไรการปฏิบัติธรรมอะไรใดมันหลงมันก็บอกเราอยู่อะไรใดมันไม่หลงมันก็บอกเราอยู่ไม่ลีรับซับซ้อนอะไร เวลาใดมันง่วงเหงาหอนอนมันก็บอกเราอยู่เวลาใดมันจิดผุ้งซ่านมันก็บอกเราอยู่เราจงพยายามดูแลตัวเองเอาโดยพ้หลักของเราก็มีอยู่ฐานก็มีอยู่ตั้งไว้สติปัฏฐานกายานุปจนนานี่เติตั้งไว้ที่กายกับก า, ายเราก็มีอยู่เราอย่ากลัเมือ่อใดแต่ที่หด สัมปชัญญาบัพพะสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวหาไม่ยากสร้างไม่ยากเราก็ขยับตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้รีบอดไหมก็ตามก็ารู้สึกตัวลงได้ประกอบได้ทั้งใจลมหายใจเพีตาคือนน้ำลายผู้เหยียดเคลื่อนไหวเดินจงกลม หาได้ไม่ยากเป็นในเรียทรัพย์ภายในคกหน้าคม ต, ตาสร้างตัวรูตัวนี้ไว้ก่อนให้มันเป็นฐานเป็นที่ตั้งมันหลักรับฐานของเรามันก็ไม่มีหลักมีฐานมันเรามีซัพย์ภายนอกมีหลักฐานบ้านเรือนเลือบสวนไรนา มันเป็นฐานที่เราจะต้องเพื่องพาอาศัยพยายามขัดสนพยายามจำเป็นซับไปในเราเนี่ยก็มีที่ตั้งมีฐานอยู่อยู่กับเราตลอดเวลาเวลาเราปฏิบัติเราก็มีหลักฐานตัวนี้ใ น, นว่าจริงๆจะทำให้หลุดให้หลงไปเราก็กลับมาหาที่ตั้ง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 ทำเอาทำเอารู้เอาไว้รู้เอาไว้อาจจมันเคยกินให้เป็นเนตใสง่ายที่จะรู้ต่อไปทำมห ม, หม่อาจจะง่ายที่จะหลงตัวรู้สึกตัวในคือทั้งหมดของชีวิตแล้วรับผิดชอบตัวเองแล้วอยู่โดยชอบแล้วเวลาพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่ด้วยชอบ โลกจะไม่ว่างจากพะาระอรหันต์พระพุทธเจ้าตัดอะไอย่างนี้นี่แหละความอยู่โดยชอบคือรู้สึกตัวรู้สึกตัวกันนะไม่ใช่อยู่สุขโตไม่ใช่อยู่ประเทศอินเดียอยู่กับพระพุทธเจ้ามันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งการอยู่โดยชอบคือมีความรู้สึกตัว ถ้าจะพูดก็รู้จักตัวแล้วพูดถ้าจะทำก็รู้สักตัวแล้วทำถ้าจะคิดก็รู้สักตัวแล้วคิดเอาคำพูดมาใช้เอาคายมาใช้เอาใจมาใช้อย่าให้มันใช้เราก็ใช้มันก่อนเถอะตรงนี้เป็นความคิดมันจะใช้เรามากกว่าอย่างอื่นความร้อนความหนาวความหิวมันใช้เราเป็นขั้งเป็นขาว หเหนยก็ไปกินข้าวถ้าร้อนก็ไปอาบน้าถ้าหนาวก็ห่มผมผ้าแต่ว่าความคิดนี่มันให้เราเก่งที่สุดมันพยายามที่จะหาโอกาสแม้แต่นอนก็ยังฝันไปเรายังมาฝึกหัดเพื่อให้เป็นใหญ่ในชีวิตวองรู้สึกตัวมันเป็นใหญ่ในชีวิต ที่จะใช้ชีวิตไม่มีอะไรใช้เลยหมดทั้งหมดคือความรู้สึกตัวพอเราเห็นเห็นอะไรทุกอย่างทำใหม่ใม่เห็นทุกเก่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายกับใจแต่โชว์ให้เราเห็นอยู่ทุกเรื่องทุกลาวในกายในใจในกายก็ไม่ เ, เยอะแยะจะเป็นทุกข์ก็เป็นสุข ในจิตใจก็มีเยอะแยะที่เป็นทุกข์ที่เป็นสุขเราอยากไปติดสุขเราจะไปติดทุกข์ความสุขความทุกข์มันเป็นสังขารอยู่ความไม่สุขความไม่ทุกข์ที่มันหยุดตรงกลางก็ยังเป็นสังขารอยู่แต่ว่าใจถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีสติ ม, ม, สตมันแปลเปลี่ยนได้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 แต่ว่าพุทธสติเอสีใหญ่แล้วเอาตาเอากายเอาใจเอาหูเอาจมูกเว้นไม่ใช่ตามความเหมาะสมเราเปลี่ยนพยายามสร้างาตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันมีอะไรที่ทำให้หลงอยู่ก็ลู้มันซ่าแล้วพัดไปกำมันเปลี่ยนมันซ่าเวลามันหลงเปลี่ยนเป็นตัวลู่ซะก่อนเถอะ อาจจะเป็นสุขเป็นทุกข์ก็เปลี่ยนเป็นตัวลู่ชะกอนเถอะอดวนแสร้งรับเอาสุขอยาดวนแสร้งรับเอาทุกข์รู้สกึกว่าเอาไว้ก่อนนี่คือปฏิบัติเอามาเป็นตัวลู่ทั้งหมดเลยเรื่องของกายของใจนี่ไม่มีอะไรเสียหายหรอกถ้าเราทำเป็น หลักของภาวนาเปลี่ยนร้ายเป็นดีได้ทั้งนั้นสองคำชืเป็นภาวนาเป็นวิชาที่ครอบจับกรวาลเพราะว่ามันเปลี่ยนได้จริงๆรมันทุกข์ก็เปลี่ยนไมทุกข์มันสุข ก, ก็เปลี่ยนไม่สุขมันห ล, ลงก็เปลี่ยนไว่หลงความรู้สึกตัวแล้วค่อยไปตามสภาวธรรมของเขาโดยไม่ต้ององ้หลงงมงาย ความรู้สึกตัวน่ะเป็นชีวิตจริงๆเป็นชีวิตที่เราใช้ได้เราใช้มันได้สําเร็จประโยชน์ความหลงไม่ใช่ชีวิตควมสุขความทุกข์ไม่ใช่ชีวิตผมรู้สึกตัวนี่ต่างหาเป็นชีวิตของเราสึกให้มา ก, กเจริญให้มาก มันหลงเพื่อให้เราศึกษามันสุขมันทุกข์เพื่อให้เราศึกษาเรียกว่าสิกขาเป็นชีวิตสิกขาและททำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของเราทั้งหลายย่อยออกมาให้เป็นดุนเป็นก้อนจึงจะเป็นชีวิตจริงถ้าเราไม่ศึกษาไม่มีใรสิกขามันก็เป็นดุนเป็นก้อนเป็นตัวเป็นตนอยู่ในทุกเรื่องทุกลาว เราศึกษาศิกขาแล้วก็ถลุงกลายเป็นสิลกลายเป็นสมาธิกลายเป็นปัญญาสิน ก, จกำจัดทุกสมาธิกำจัดทุกปัญญากาจัดทุกไม่แต่ทุกเท่างนั้นเกิดขึ้นไม่แต่ทุกเท่านั้ น, น, ต, น, นตั้งอยู่ถ้าไม่มีทุกเร่อนม้นไม่มีอะไรที่ตั้งเลยต่อไป น, นะมันด่วนพอสมควรอยู่ อาจจะเปรียบเหมือนเราไปไหนก็ไม่ต้องไปเข้าคิวพิเศษวิเศษวิเศ ษ, เศษคือวิปัสสนากรรมาฐานวิเศษในชีวิตเป็นโอกาสวิเศษทุกเรื่องทุกราวไม่ห้องไม่ติดไม่เข้าคิวไม่เข้าลอ่อเป็นชีวิตที่เป็นอิสระที่สุดผู้ที่ปฏิบัติธรรมกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐาน เราใช่สิทธิ์ของเราเราใช่สิทธิ์เราใช้หน้าที่ของเราใช่ความเป็นธรรมที่มีอยู่ในเราความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นม า, า, นมาไม่ใช่เมื่อแต่เออยู่ไม่ใช่เอาทันทีเราอยู่ที่ไหนก็รู้ได้ทันทีหรือว่าการเก็บอารมณ์ บางทีพวกคือมาทําวัดไม่ได้เก็บอารมณ์ไม่ใช่พวกคือปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติอยู่ในปกอยู่ในกติอยู่ในกสตตบไม่มาฉันไม่มาทําวัดนั่นเป็นผู้ที่เก็บอารมณ์ก็ไม่ใช่หรืว่าเป็นกรณีพิเศษที่เขาที่จะทำขึ้นมายองเก็บอารมณ์ก็คือรู้สึกตัวนั่นแลหละถ้ามาเก็บอารมณ์คือไม่ปล่อย เพ่งเพ่งควงา ง, งลำดับลํานําผู้ที่อยู่ไม่มาทํามวัตรก็คิดเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นผู้ที่มาทํามวัตรก็คิดเป็นหลงเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นเราก็เปลี่ยนมันไปตรงนั้นแหละเรีวยกว่าเก็บอารมณ์คือเก็บเอาอความรู้สึกตัวมันนี้ให้มันมากขึ้นมาจนเป็นมหาลู่เป็นมหาสติแล้วก็สร้างเอาก็ได้ ประกอบเอาก็ได้เรามีวัสรุปปรอุปกรณ์สร้างขึ้นมามันหลงก็ดีจะได้รู้มันสุขก็ดีจะได้รู้มันทุกข์ก็ดีจะได้รู้อะไรที่ไม่ใช่สตินั่นแหละมันตรงกันข้ามพอดีสติกับวิญญาเป็นหลักมีกายเป็นฐาน แม้แต่กิจใจแม้แต่ความเพนทางกิจก็คือกิจที่อะที่มันหลงตั้งแต่เริ่มต้นจนครั้งสุดท้ายเรี ว, ว่าความเพนทางกิจเช่นเรากําหนดกายเคลื่อนไหวมีสติอยู่ก็ถือว่าความเพนทางกิจเราเห็นแล้วเห็นเวทนาเห็นกิจเห็นธรรม เมื่อสิ่งเหล่ามันเกิดขึ้นมากับเวทนาเวทนาอาจจะชำนีชำนาญแล้วเข้าใจเรื่องอารมณ์เบื้องต้นรูจักรลูกรูกกจักนามพอเวทนามันเกิดขึ้นเราเรียกว่าเป็นอาการเพพาแว่าแวมเล็กๆน้อยๆไม่ยิ่งใหญ่ พอเราเห็นอย่างนั้นจริงๆเห็นธรรมที่เป็นความรู้ความไม่รู้เป็นกุศลเป็นอกุศลเ็เรื่องเก่านั่งเก่าไม่มากไม่เป็นภาระได้หลักได้ฐานเห็นรูปเห็นนามมาบำเพ็ญทางจิตมาบำเพ็ญทางจิตก็ไม่ใช่ว่าไป น, นั่งคอยดูความคิดตัวเอง เมไรมันจะคิดเมื่อไรมันจะคิดไม่ใช่อย่างนั้นการบําเพ็ญทางจิตก็คือมามีสตินี่แหละสะติเหมือนเดิมแต่มันตรงกันตรงกันความรู้สึกตัวตรงกับกจิตพอดีเพราะจิตมัเป็นผู้แข่งความคิดที่เกิดกับกจิตความหลงความสุขความทุกข์ที่มันเกิดกากจิตมันจะเป็นผู้แข่งของสติส่วนกายส่วนเวทนาส่วนธรรมที่มันเป็น อาการต่างๆมันแข่งไม่ได้แล้วเอาไว้หลังแล้วนันนักกีฬาเขาไปแข่งขันกันเอาไว้หลังแล้วผู้แข่งจริงๆต้องเป็นรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายของชีวิตเราคือบรเพ็ญทางกิตชนะประชนะตรงนี้แหละเรียกว่าบำเพ็ญทางกิตในสติดูกิจในกิจดูกิจเขาก็เทียนพูดเอาไง เป็นคำพูดแต่ว่าเป็นการกระทําเป็นเรื่องของเรามีสติแล้วกับมันกิตนั่นแหละเป็นรูปเป็นกายนั่นแหละเป็นกิตนั่นแหละเป็นรูปเป็นนามนั่นแหละทั้งหมดแล้วความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทั้งหมดของชีวิตทั้งหมดของการบํเาเพ็ญตัณกิจแล้วการรู้สึกตัวกับพัฒนากายพัฒนากิจแล้วไม่สิ้นเปลือง พลางงานไปทางอื่นควารู้สึกตัวคือเรื่องของกายเรื่องของใจเรื่องของโลกเรื่องของนามพัฒนาทั้งสองอย่างตอมันหลงก็พัฒนาเป็นไม่หลงได้ทั้งสองอย่างไม่ใช่ไปจ้องไปมองหาความคิดเมื่อไรมันจะคิดทำไมมันจึงคิดไม่ใช่สร้างสติตะพือไปสติตัวนี้ก็พัฒนา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 คนมีความปกติไม่เสเทือนพ้นอินทางสระเสริญกันหนักแน่นอ่านใส่ใจที่จะรู้สึกอยู่เสมอไม่ทอดทุละเกาะกันไว้เป็นโซ่ยาวออกไปอ่านใส่ใจที่จะรู้สึกตัวใส่ใจที่จะรู้สึกตัวความรู้สึกตัวก็ ประกอบสัมผัสได้จริงๆอยู่กับกายอยู่กับอะไรก็ได้รู้สึกตัวทุกเรื่องทุกราวนะเรียกว่าสมาธิแล้วชัดเจนแล้วเฉพาะเรื่องเฉพาะราวไม่สับสนสมาธิคือเฉพาะเรื่องชัดเจนแม่นยำโล ก, กลายกโล ก, กลายไม่ใช่ ใจก็ใช่ใจใจะใช่ตาก็ใช่ตาใจะใช่หูก็ ใ, ใช่หัเฉพาะเรื่องไม่โฟนเตกันเรียกว่าสมาธิชัดเกณฑ์แม่นยำเหมือนกับเราเป็นเจ้าระเบียบจัดสิ่งจัดของเื่องใช่ไม่สอยเราอยู่กรุงเทพก็จะบอกคนที่อยู่บ้านเอาอันนั่นอยู่ตรงนั้นทำได้ชัดเกณฑ์ เห็นกายตามความเป็นจริงเห็นศีลเห็นสมาธิเห็นปัญญาเห็นโลกเห็นนามเห็นบาปเห็นบุญไม่หลงในบุญไม่หลงในบาปอ่านมาแล้วนะมีปัญญาก็ลบลูกลบลูบ่ลู่ล อ, อ, อบอยู่เสมอไม่ไปทางเดียวเราไมีหลายอยางใน ลูกในน้มอะไรที่มันเกิดลูกเกิดูกเกิดผิดเกิดสุเกิดทุกไหมลูกในน้ำรอบลูกเป็นของลูกสึกตัวถ้าเป็นคำพูดก่รลูกแล้วลูกแล้วว่าอย่างนี้ต่ว่าลูกแล้วมันก็ตกต้องทั้งหมดแล้วมันแะไรวิปัสนาคือลูกแล้วแต่ลูกแล้วก็พ้นแล้วเราจึงฝึกหัด ให้มันเป็นคำว่ารู้แล้วแต่ไม่ใช่คําพูดปัญญาณเป็นศีล เ, เป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นพลังของปัญญาที่สุดคือปัญญาปัญญาสมาธิศีลศีล ส, สมาธิปัญญามันลอกนะสลับสนวนกันมืนจักแัรงกงจักพระพรุทธเจ้าแสดงธรรมจับมันหมุนไป ในกลุ่มของศีลของสมาธิของปัญญาของสตินะมันเหยียบไปความโง่หลงงมงายความสุขความทุกข์ความโกรธความโลภความหลงมันเหยียบย่ํำไปจนแหลกแล้วตายเป็นปุ๋ยไปเลยมันพวกเราไถยาคาปลูกป่าแต่ก่อนเป็นป่าเป็นโพกเป็นดงจะถูกเหยียบย่ําำองไปเฮกดลงไ ป, งไปเปลี่ยนลงไปตายเป็นปุ๋ย ยากาเป็นตันตั น, ตนถ้ารวมกันรวมโลกสึกตัวตัวนี่เป็นประโยชน์ได้ประโยชน์จากความหลงความผิดที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นพ้นอะไรก็พ้นจากทุกทิฏติพ้นจากปัญหาพ้นจากภาระนั่นแหละนั่นแหละเป็นเท่เกณฑ์ที่วัดให้เรา สุข out, head, Una, doll, you know. ใครจะไม่รูท้ทุกข์ใครจะไม่รู้ความหลงใครจะไม่รู้ความโลภความโกรธใครจะไม่รู้ความงงเหงาห่อนอนใครจะไม่รู้รู้มาแล้วทั้งนั้นไม่ต้องมาบอกไม่ต้องมาเทบายไม่ต้องมาเทวายให้ฟังรู้แล้วะพอมาทางนั่นจริงจริงเอาเดินก็เดินทางเดียวกันคนที่ผ่านก็ผ่านไปทางเดียวกันคนที่พ้น อย่างนั้นก็พ้นเหมือนกันแต่ว่าปฏิบัติธรรมทางอันเอกหมายเลขหนึ่งเดินคนเดียวไปที่เดียวไปถึงเกิดหมายปลายทางอันเดียวกันไปสู่ที่เดียวกันของจริงต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะอันนั้นเป็นพุทธอันนั้นเป็นคริสอันนั้นเป็นอิสลามไม่ใช่อันเป็นสมฆ์ุฒิยันแต่เป็นพุทธเป็นคริสเป็นอิสลามเป็นเฮนดูก็คือลูกกบนาม ไอ้โลกไอ้น้ำก็เป็เหมือนกันนั่นแหละเหมือนกันในสุขมีทุกข์มีร้อนมีหนาวมีเวทนามีหิวมีโรกมีโกรธมีหลงศาสนาก็คือตัวโลกตัวนามตัวโมเนี์มันไม่เาจะพูดเราคือมันไม่มีมีทุกข์นั่นแหละตัวศาสนาจริงคือพ้นจากสิ่งเหล่านี้ถ้ายังโกรธอยู่ถ้าพูดภาษาธรรมนะแลยว่าไม่มีศาสนา แต่แม้ต่ว่าพุทธัทงสรลังกชามิธรรมังสลังกชามิสังฆังสลังกชามิก็ว่าจะปา ก, กเฉยๆไปในเลือกซึ่งไม่มีเป็นภาษานกแก้วนกขนทองไปแต่ตัวศึกษาจริงมันมีหมายควาว่าพุทธัทงสลังกชามิก็ได้มันก็เห็นแจ้งอนในศาสตร์คือคนที่ไม่ม่ทุกข์ไม่หลงไม่โกรธไม่ทุกข์ไม่หลงไม่โกรธ ไมวิตกกังวลไม่เศร้มองเป็นชีวิตที่มั่นคงจงการเป็นการเพิ่งได้คนอื่นก็เพิ่งได้สิ่งอื่นก็เพิ่งได้แต่ยังมีความทุกข์ความโลภความโกรธความหลงอยู่ตัวเองก็เพิ่งตัวเองไม่ได้จึงมาสร้างมาปฏิบัติให้มันมีตั้งแต่วันนี้เวลานี้เพราะสิ่งที่ทําให้เราหลงในตัวเราก็ไม่มากหรือเกิน ท ำ, ทำให้พ้นซะทำให้หลุดทำให้พ้นซะมันก็รีบด้วนอยู่ดอกการปฏิบัติธรรมนได้ดังใจอยู่สมปรารถนาดูเรียกว่ามนุษย์สมบัติอยู่ใช่ได้จริงๆมันหลงก็เปลี่ยนเป็นตัวรูดได้จริงๆ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 แต่เกณฑ์สุขต้องเป็นทุกข์ลงทุนฝนฝนก็ว่ากันแต่เป็นคําพูดที่ไพเราะจริงเอาจริงๆภาคปฏิบัติมันเป็นบทเรียนเฉยๆเมือมันทุกข์ก็ไปทุกข์ทันทีเม่อมันหลงก็ไม่หลงทันทีเมื่อมันโกรธก็ไม่โกรธทันทีนี่ใช้ได้อย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติเรียว่าพุทธศาสนาถ้ามีบุญก็มีบุญได้จริงๆ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 ถ้าจะปิดประตูนรกก็ปิดได้ทันทีความหลงมันเกิดขึ้นไมาได้เพราะเรามีความรู้สึกตัวเอาอย่างนี้ไปก่อนเห็นกับหูกับตาอย่างนี้ไปก่อนทำได้กับมือกับตายกับใจเราอย่างนี้ไปก่อนมันจึงจะเป็นของจริงที่เป็นปัจจัตตัง้าไม่ทำกับมือเห็นกับหูกับตาทำได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เป็นปัจจังไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้า ควมสอของเพืเจ้าต้องเป็นปัจจิตตังไม่ใช่ชาตินี้ต้องสร้างบา ร, รมีชาติหน้าจึงค่อยจะบรรลุธรรมไม่ใช่บรรลุธรรมเดี๋ยวนี้อาอันนั้นนละมันหลงกับรู้เดี๋ยวนี้บรรลุธรรมแล้วหมันโกรธเพเกลียนของโกรธเดี๋ยวนี้บรรลุธรรมแล้วพ้นจากความหลงพ้นจากความโกรธในความรู้สึกตัวแล้วนะของจริงต้องเป็นอย่างนี้ อันเดียวกันของจริงต้องเป็นอันเดียวกันเหมือนหลงคนเทียนพูดใครพูดก็ตามถ้าเป็นของจริงต้องเป็นอันเดียวกันเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยแต่เรามีความรู้สึกตัวก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคติอันเดียวกันถ้าเป็นความหลงจึงเป็นคนละคนหลงคนละวันละหลงคนล ะ, ลนละเรื่องนี่ก็มีเหมือนกัน แต่ใครจะหลงยังไงก็ตามรู้สึกตัวกันเดียวกันทันทีนี่คือตัวปฏิบัติผูมาปฏิบัติก็ตรงมั่นใจผูพูดก็ยืนจัดบััดใจอสอนก็มั่นใจคําสอนที่เราสอนที่เราพูดกันก็เป็นพุทธศาสนาเป็นธรรมที่พระเจ้าทรงค้นพบทรงเห็นแจ้งมาแล้ว มาเรามาทําดูมาทําดู้ก็เป็นจริงอย่างที่คําสอนของพระพุทธเจา้าพุทโธเป็นผู้ลูกผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นจริงหลงว่าได้รู้ได้จริงๆต่างกันอยู่ความหลงกับความรู้เพื่อได้ไปอย่างนี้พกเราปฏิบัติธรรมไม่ใช่มาอ้ อ, อนวอนเอาดีจากใคร แา่จะเอาดีก็เอาดีเองทําตามเองทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราที่นํามาสอนกันอยู่นี่ก็เอามาจากพระพุทธเจ้าที่ทรงค้นพบเรียวา่าพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นพุทธธรรมที่มีอยู่กับทุกชีวิตในแท้พระพุพะทธธรรมพระสงฆ์อยู่นอย่โน่นที่นี่ไม่ใช่แล้วดีจากอาจารย์องค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ อนันตมาเนิ่นช้าไปกราบอาจารย์องนั่นไปกราบหลวงพ่อองนี้อาจารย์ของฉันนั่นมาใชเอาดีจากการกระทําของตัวเองถ้ามีเมตตาก็มีเมตตาสาถ้ามีอดทนก็มีอดทนไว้ถ้ามีสติก็มีสติถ้ามีศีลก็มีเอาเองมีสมาธิมีปัญญาจะไปพึ่งใครตามปฏิบัติธรรม ต้องเพ่งตนเองต้องแก้ไขตนเองต้องมีสตินี่คือคำสอนที่เป็นจริงกํามเมื่อเดียวกมือเดีย ว, ยวต้องมั่นใจอย่างนี้การปฏิบัติธรรมแล้วเมื่อมั่นใจอย่างนี้ก็กระตือรือร้นมากก็เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัวเดี๋ยวนี้เราเป็นพระต่อกันมากเราเวียนเวียนตัวเองก็คนอื่นก็เดือดร้อนเราเวียเวียนคนอื่นก็คนอื่นก็เดือดร้อน อย่างโจนภาคใต้พูกกอเรื่องกอล่าเขาก็เยกเรียนคนนุก็เดือดร้ อ, น, อ น, นทั้งพวกเราเพราเราก็ต้องจะไปช่วยกันคิดจะไปช่วยกันอยากจะไปเยี่ยมพระภาคใต้เราก็มีเพื่อนที่นั่นด้วยนะและในเจ้าคนสมเด็จพระุทธาจยา์ก็ไปเทนนนแล้วผูวกก้ปฏิบัติ แทนสมเด็จพระสังฆลาชมันก็นเดือดร้อนกันนี่ปฏิบัตถิถรรตั้งต้นจากตัวเรานี่แหละให้มั่นใจให้มั่นใจแต่อยูมแห่งหนตาบลไหนก็อยู่กับตัวเราเราอยู่ที่นี้ก็ไม่ใช่อยู่ด้วยกันรอยู่กับตัวเองเราหลงก็หลงพอก็ช่วยไม่ได้ท่านต้องช่วยตัวเองนะให้หลงใครจะเจ็บอารมณ์ใครจะไม่เจ็บอารมณ์เหมือนกันนะ ดูแลตัวเองแล้วว่าแต่ฟังเอาไว้บอกไว้อย่างนี้ให้รู้สึกตัวให้รู้สึกตัวแล้วก็ทำได้ด้วยในกาเวลาสร้างความรู้สึกตัวมันก็มีความหลงเกิดขึ้นบ้างไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่าไปสะดุดปล่อยให้มันเรียบไปเลยความหลงทำห้เราเรียบนะเอาดีๆแล้วนะไม่ใช่ทำห้เป็นคลื่นนะความหลงทำห้เราเรียบ เราสร้างความรู้สตัวมีคุณภาพเพื่อเกิดความเรียบเหมือนเขาสร้างรถอะไรรถวิบากรถอะไรที่ลุยที่โกลนที่ต้มไม่หยุดิออกมันรถจานต้มเมฆสองเผาขึ้นเขาขึ้นอะไรก็ได้มันทำให้เข้มแข็งความอ่อนแอทำให้เกิดความเข้มแข็งในชีวิตเราก็มีมันเสมอเพราะฉะนั้นก็พูดในการฟังทุก ทกเกฑพวกเราก็มีเพื่อนไม่เนตนะโอนใจ